ผู้เจ้ารับสั่งถามที่เกี่ยวกับพรามในอดีตทั้งหลายที่อ้างว่านับถือพระพรุทมก็พูดไปพูดมาก็สืบสาวไปถึงเป็นโคตรโคตของอาจารย์คือเจ็ดปดชู่วโคตรแล้วแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่มีคนเคยเห็นพระพรุ่ม คุณย่ากระทรวงยกประเด็นของประจันปราชิตมาให้ดูว่าประจันปราชิตที่ปรากฏบนท้องฟ้านี่กคนในโลกทุกคนก็เห็นกันแต่ว่าพวกพรามที่จบในเพศก็เห็นประจันใปราชิตคนอื่นก็เห็น ขึ้นเมืม่อไรตกเมื่อไรพรามทั้งหลายก็อ้อนบอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนรอบพรามผู้จับส่เพศสามารถแสดงหนทางเพื่อความอยู่ร่วมกับพระจันทร์พระอาทิตย์แม่เหล่านั้นว่าทางนี้แหละเป็นทางทรงเป็นทางเดินเป็นทางนำออก นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นเพื่อความอยู่ร่วมกับพระจั์ปราชิตได้หรือไม่ก็ไม่ต้องพูดถึงพระพรหมหรอกพระพรหมนั้นไม่เคยเห็นเอาพระจรันทราชิตนีน่ไปเห็นกันจะจะแ้วพรามสามารถแสดงทางที่จะดำเนินไปสู่การอยู่ร่วมกับพระจรันทราชิตได้หรือไม่พอเศรษฐาเขากราบทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะ ผู้จารับสั่งว่าพรามณ์ผู้จบใสเพศก่อพญานเนะี่ะก็เหมือนเดิมนําผู้นาเนินไปตามทางนั้นเพื่อความอยู่ร่วมกับพระอาจารย์พระชิตก็จะกล่าวกันทําไมพราม์ผู้จบใสเพศไม่ได้เห็นพระพรหมเป็นพยานแม้พวกอาจารย์ของพราหมณ์ผู้จบใสเพศก็ไม่ได้เห็น แล้วก็เรื่อยมานะฮะจนถึงพวกมาหาฤาษีทั้งหลายนี่ก็ไม่ได้เห็นก็เรียกว่าไม่ได้เห็นก็เป็นแถวแหละก็เป็นลักษณะของคนตาบอดที่เกาะหลังเดินกันตามกันเป็นแถวจะเกาะกันกี่รอดคนก็ตามก็สรุปว่าแต่และกลมคนก็ไม่เห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งนั้นดังนั้น พวกพราหมณ์ที่มาพูดว่าสามารถที่จะบอกกล่าวทางดำเนินไปสู่ความเป็นพระพรหมได้หรืออยู่ร่วมกับพระพรหมได้แล้วก็บอกเป็นทางทรงทางอ้อมทางควรเดินไม่ควรเดินอะไรต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกับพระพรหมนั้นธะคิดยังไง ว่าความคิดของพรามเหล่านี้มันมีเหตุผลไหมถึงเขาจะจบใจเพศกถ็ถือว่ามันมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าทีนี้ประเด็นของคำว่าปาฏิหารก็มีอยู่สามประเด็นประเด็นแรกคืออิทธิปาฏิหารคือสามารถแสดงฤทธิ์ได้พรามสามารถแสดงฤทธิ์ที่จะนำไปสู่ความเป็นพรหมได้หรือไม่แล้วก็ อาเทศนาปฏิหารเนี่ยพระามสามารถที่จะรู้ความคิดของพรหมไหนไหมว่ามีความต้องการอย่างไรหรือคนเช่นไรควรจะไปอยู่ร่วมกับพระพรหมหรือไม่อยู่ร่วมกับพระพรหมพระามก็ทําไม่ได้แล้วพระา ม, มีคําสอนไหมล่ะคําสอนที่ชี้บอกว่า น, นี่คือปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้ดําเนินไปสู่ความเป็นพรหมนัม้นก็ไม่มี แต่เราใจนว่าปฏิหารข้อที่สามเนี่ยก็คือแบบอริยมรรตเป็นองค์แปดประการมันบอกให้ได้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเธอทำสมมาวาจาสมากัมปันตะสมาชีวะให้สมบูรณ์มันก็ไปทางไปสู่การเป็นสหายกับเทพพระเจ้าทั้งหลายแต่ถ้าทำสมา วยายามะสมาสติสมาสมาธิสมบูรณ์เธอก็จะเข้าไปสู่สหายของพุมแล้วถ้าสมาธิติสมาสังกปะสมบูรณ์ด้วยคือครบทั้งแปดประการก็จะนำไปสู่ความเป็นป ร, รยิยัะยืนยันในส่วนเหตุได้และยืนยันในส่วนผลได้แล้วก็มีตัวตนบุคคลที่สามารถเป็นสักขีพยานในทุกขั้นตอน ตัวอย่างที่พระเจ้าได้รับสั่งเมื่อพรโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นประโสดับันนั่นเองรับสั่งว่าอัญญาสิวัตโพกนัญโยอัญญาสิวัตโพกนัญโยโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกนธัญญาได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญก็ญญ แ, ญแสดงว่าพระอัญญาโกนธัญญาเป็นสักขีพยานที่จะยืนยันถึงอนุสาสนีปาฏิหาร คือคำสอนที่อัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าว่าสามารถนำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงแน่นอนเป็นประสบดาบันนั้นไม่สิ้นเชิงหรอกเพราะว่าเราสังโยชน์ได้เพียงสามข้อแต่ก็ปิดประตูนระกหัวเสกบุบเปิดประตูสวรรค์ไม่ทำผิดสี่ห้าประการปิดประตูอบายทั้งสี่ได้ เกิดตามสุดๆก็เป็นมนุษย์แหละแต่ว่าถ้าเป็นประสบดบัณที่จริงท่านเลือกเกิดได้เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้วันเราจึงเห็นว่าเป็นความขัดแย้งกันว่าพ่านแสดงในรูปว่ามีปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เอาข้อจริงเนี่ยมันไม่มีสักข้อนึสามข้อนี่แต่ของพระพุทธเจ้ามีครบทั้งสามข้อ บังจึงรับสั่งว่าวาเสตถะเธอจะสําคัญความคนนั้นเป็นฉนายเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิทของพราหมณ์ผู้จบสายเพศย่อมไม่มีปฏิหาริย์ไม่ใช่หรือวเสตถะก็กราบถุน่าใช่คือไม่มีปฏิหาริย์รับสั่งในประเด็นต่อไปว่าวาเสตถะดีละก็พราหมณ์ผู้จบสายเพศไม่รู้จักพรหมไม่เห็นพรหม แต่แสดงหนทางเพื่อความอยู่ร่วมกับพระพรหมนั้นว่าเป็นทางทรงเป็นทางสายเดินเป็นทางเป็นทางนาออกนาผู้ปฏิบัติไปตามทางนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกับพระพรหมข้อ น, นี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้รับสั่งว่าวาเศธเะเหมือนบรดุรพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ราปรารถนารักใครนางชนบทกาลยา น, นีในชนบทนี้จนเรานั้งถึงถามเ้าว่านางชนบทกาลยา น, นีที่ท่านปรารถนารักใครนั้นรู้จักหรือว่าเป็นกษัตริย์เป็นพระมณีเป็นนางแพทยาหรือเป็นนางสูตรเมืเ่อเขาถูกถามเขาก็ตอบว่าไม่รู้จัก จนนางหลายก็ถามว่านางชนบทกัญญาณีที่ท่านปรารถนารักใครนั้นท่านรู้จักหรือว่านางมีชื่ออย่างไรมีโคดอย่างไรสูงต่ำตำข่าวอย่างไงสันทตดผิวคล้ำอะไรแต่อะไ ร, ะไ ร, ะไรต่างๆเนี่ยพอเขอถูกถามก็บอกไม่รู้จักจนนางหลายก็ถามเขาว่าท่านปรารถนารักใครนางโชนบทกัญญาณีซึ่งไม่รู้จักอะไรตือเลยนะฮะไม่รู้จักอะไรเลย คือเสียงเรียงนามเป็นยังไงก็ไม่รู้ได้กลับไปปรารถนาหญิงที่ตัวเองไม่รู้จักไม่เคยเห็นเลยดังนั้นหรือเมื่อก็ถูกถามดังนี้ก็จะตอบว่าถูกแล้วว่าเศรษฐาเธอจะสําคัญความคนนั้นเป็นชไห น, นเมื่อเป็นเช่นนี้คํากล่าวของบุรุษนั้นไม่มีปฏิหารไม่ใช่หรือ วเสตถะเขากราบทูลว่าแน่นอนพระเจ้าค่ะจากนั้นก็รับสั่งว่าฉันนั้นเหมือนกันได้ยินว่าพราหมณ์ผู้จบไตรเพศดีก็ดีอาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดีอาจารย์ของอาจารย์แห่งพราหมณ์พวกนั้นก็ดีอาจารย์ที่สืบมาเจ็ชั่วอาจารย์ของพราหมณ์นั้นก็ดี เหรลร่าฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหม์พวกนั้นก็ดีแต่ก็ไม่ได้เห็นพรมเป็นพยานคือพวกฤาษีทั้งแปดตนเก้าตนเนี่ยมันมีกล่าวอ้างในคำภีของพราหมไว้เยอะมากและว่าเป็นผู้ที่พร้อมใจการรจนาคำภีพระเวทขึ้น ซึ่งท่านฟังหลอนสังเกตว่าศาสนาในแนวเทวนิยมมักจะอ้างไป้ปรำปรลายอย่างเงี้ยไกลเหลือเกินแล้วพูดไปพูดมาเนี่ยคือตามปกติเขาก็จะไม่สอบถามกันพอสอบถามก็ทะเลาะ ก, กันหมายความว่าคนก็ไม่รู้มาถามคนไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแต่ก็ใช้ระบบความเชื่อ ด้วยการใช้ระบบความเชื่อในแนวเนี้ยลองสังเกตว่าแนวของปรมน์นี่ไมแนวของพราหมณ์นะแนวของพราหมณ์นั้นจะเน้นไปที่เรื่องของความเชื่อที่แบบ ป, ป, ปรัมพระาพระเจ้าสรงยกประเด็นนี้มาที่จริงเราเจอหลายสูตรนะแต่สูตรนี้ก็ไปคล้ายกับอคันเยสูตรอยู่ในที่ขันิกายเหมือนกัน จะสนทนากับพรานสองคนนี้เหมือนกันแต่ว่าอคัญญสูดจะยาวจะพูดไปเรื่องกำเนิดของมนุษย์กำเนิดของโลกอะไรตร่ออะไรรายละเอียดจะเยอะอันนี้ก็พูดในประเด็นเดียวแต่อย่าลืมว่าการใช้ความเชื่อของตัวเองเป็นหลักมันมีปรากฏแพร่หลายในหมู่มนุษย์ในส่วนต่างๆของโลกแม้แต่ในสังคมพูดเรา ก่อนอนทางสถานีวิทยุเขาโทรศัพท์สอบถามเรื่องคุณสมัครที่จะจมารู้จักก่อนนั้นเขาก็ส่งอะไรๆอินเทอร์เนต็ตมาให้อ่านดูถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็บอกเขาว่าเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เนี่ยคนเราเกิดมาแล้วก็มีคนรักเท่าพื้นหนังคนช่งเท่าพื้นเสือ้อ เอาขนาดพระพุทธเจ้ามันก็มีมาพรพจนมีนักบวช น, นอกศาสนาพจนมีการเบียดเบียนกล่าวหากันแต่ข้อที่สังคมควรจะเข้าใจก็คือว่าคนเราจะดีจะชั่วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เราว่าเขาชั่วและก็คือเขาชั่วหรือเราดีแล้วเขาดีแล้วก็คือเขาดีเขาดีก็เพราะการกระทําของเขาเขาชั่วก็เพราะเป็นการกระทําของเขา ไม่ใช่ว่าเรานึกจะทึบใครจะด่าใครจะใส่ร้ายป้ายสีใครแล้วก็ชายรวมตัวเองตัดสินเอาถ้ารวมเราตัดสินอะไรได้เนี่ยนะเป็นว้ยแต่ว่าการตัดสินกรรมให้แกเราแต่นั้นเองคือตัดสินคนอื่นมันไม่ได้หรอกเรื่องกฎของกรรมมันเป็นกฎเฉพาะตัวมนุษย์แต่ละคน ทำหลักจะเรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะให้เราสังเกตว่าที่ผู้เจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาว่าเราแต่ละคนเนี่ยมีกรรมเป็นของคนตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเป่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอนไดไว้จะดีหรือชั่วกว็าตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น กรรมใครก็กรรมคนนั้นแต่และชีวิตนั้นมาสู่โลกนี้โดยกรรมของตนอยู่ในโลกนี้โดยกรรมของตนจากโลกนี้ไปโดยกรรมของตนแน่นอนในแง่สังคมที่เราแบ่งเป็นเราเป็นเขาอะไรกันวุ่นวายไปหมดมีการใส่ร้ายป้ายสีมีการกล่าวหามีการฟ้องร้องมีการตัดสินอะไรก็ว่ากันไปเถอะถ้าจริง ก็เป็นกุศลละรามไปสมภูตัดสินแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยก็เป็นอกุศลกรรมสมภูตัดสินแต่ถ้าจริงก็เป็นอกุศลละรามของฝ่ายที่ถูกตัดสินเพราะก็ถูกรื้อผิดมในยุติกรรมของเขาไม่ได้อยู่ที่ใครมักเป็นคนตัดสินกยังมองว่าคนเราถ้าเข้าใจกฎของกรรมได้เน่ยแห ม, มัน โลกมันจะน่าอยู่ขึ้นมาเยอะเลยแต่ก็จริงกฎของกรรมเนี่ยเราก็จับไม่ได้คิดว่าถ้าฉันไม่ชอบแล้วก็คือคนเลวแหละแต่ฉันชอบแล้วก็คือคนดีมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันนะฮะมันเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยมันมีวุฒิภาวะมากพอต่อการที่จะชี้ผิดชี้ถูกคนอื่นได้หรือไม่ ตาปกติแล้วเราก็ใช้อารมณ์อารมณ์ก็อารมณ์รักอารมณ์ชังนี่แหละที่ใช้ชี้กันถ้าเราชี้ด้วยความรักมันก็อดจะเป็นฉันทาคติไม่ได้ถ้าเราชี้ด้วยความชังมันก็อดจะเป็นโทสะคติไม่ได้ถ้าเราไปชี้ด้วยความกลัวมันก็อดจะเป็นโมหคติหรือฉันทาคติไม่ได้ โลชีด้วยความหลงก็อดจะโง่ไม่ได้แล้วก็ผลของอคติทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เกิดขึ้นกับเขาเนะฮะหรือเขาไม่เกี่ยวเรามีสิทธิ์ที่จะว่าคนอื่นแต่เขาจะไม่ดีเลวตามที่เราว่าเราแม้แตรการยกย่องสันเสริญเนี่ยสมมติว่าคนคนนี้เป็นคนดีมากเรายกย่องสรรเสริญมันเป็นมุทิตาจิตของเรา มันไม่ได้เพิ่มปริมาณความดีให้แก่เขาแต่ว่าเพิ่มปริมาณความดีให้แก่เราดังนั้นถ้าหากว่าเราจับประเด็นในกฎของกรรมได้ความวุ่นวายต่างๆเดือดร้อนต่างๆหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆซึ่งเราเห็นว่าสังคมเราค่อนข้างมาแรงไปนะ เ, เสียดายที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน ปฏิญานตนนั่ถือพระรัตนตรัยแม้แต่คุณธรรมที่สืบเนื่องมาจากศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเราก็ไปไม่รอดออกขนาดกดเว้นจากการประทุสร้ายชีวิตมันก็สอบตกแล้วหมดเว้นจากการพดพาสตราวุธเครื่องประหารก็สอบตกอีกแหละมีความสารวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็สอบตกอีก มียีรีมีโอตปะยิ่งตกใหญ่เลยมี <ไป S 1> เมตตามีเอ็นดูยิ่งหายากแล้วก็มีจิตคิดนุครอบต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนี่สอบตกเรียบร้อยเลยโ อ, อ้จริงสี่ห้าเราก็ไปไม่รอดข้อเดียวนะฮะไม่ใช่หลายข้อพูดถึงข้อเดียวเนี่ยเราก็ไปไม่ค่อยได้าะการชี้บอกของพระพุทธเจ้าเนี่ย มันเป็นเรื่องการส่งเสริมให้คิดแล้วให้วาเสฐะกับพระรัตวาชาเนี่ยคิดเองคือสำนวนบาลีเนี่ยเขาจ ะ, ะใช้คำคนที่เป็นผู้นำมาคนเดียวเช่นบางทีเรียกระษาริบุตรเนี่ยเรียกว่าสาริบุตตาก็หมายถึงพระโมคคัลลานะด้วย เราเรียกว่าเศรษฐะก็หมายถึงว่าวาระเศรษฐะและพารวาาัวัชชาเวลาแปลั้งแปลอย่างนั้นนะคือหมายความว่ามีนัยยะให้รู้ว่าหมายถึงอีกคนหนึ่งด้วยแต่ทีนี้ถ้ารับสั่งว่าพิสูจทั้งหลายอุบาสกบาซิกาทั้งหลายพราม์เครือบดีทั้งหลายนี่ก็หมายครวมหมดแหละที่อยู่ตรงนั้นกี่คนก็หมายรวมทั้งหมด แต่ว่าโดยผลของการปฏิบัติแล้วก็คลุมทุกชีวิตนั่นแหละเพราะว่าธรรมะมันก็เป็นกฎเป็นกฎความจริงความจริงก็เป็นยังไงเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นพุทธเจ้าก็แสดงให้คิดนะให้ลองสังเกตว่าพระสูตรนี้สอนให้คิดเอาทั้งหมดเลยใช้ข้อมูลจากใครใช้ข้อมูลจากวาเสธะปารัตวาชารนั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็รับสั่งว่า วเสถาเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดตีเลยรับสั่งว่าแม่น้ำอจิราวดีนี้เต็มเปี่ยมเสมอฝั่งกาดื่มกินได้กาดื่มกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการจะข้ามฝั่งสแสวงหาฝั่งพยายามความประสงค์จะข้ามฝั่งไปฝั่งโน้น เขายืนอยู่ที่ฝั่งข้างนี้แล้วก็ร้องเรียกฝั่งโน้นว่าฝั่งโน้นจงมาฝั่งนี้วาเสถะเดยจะสำคัญความค้นั้นเป็นเช่นไนฝั่งโน้นของแม่น้ำมจีระดีจะพึงมาฝั่งนี้เพราะเหตุการเรียกเพราะเหตุการอ้อนวอนเพราะเหตุปรารถนาหรือเพราะเหตุยนดีของบุรุษนั้นหรือไม่เจก็ตอบว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะ ล้วสั่งว่าลูกกรวาเสธะและพารัตวัชชะฉะนั้นเหมือนกันผู้พรามผู้จบใจเพศละธรรมที่ทำให้เป็นพรามเสียยึดถือธรรมที่ไม่ทำให้เป็นพรามพระเภทจู่เราอยู่อย่างนี้ว่าพวกเราร้องเรียกพระอิน รงเรียกพระจันทร์รงเรียกพระวรุณรงเรียกพระอีสานรงเรียกพระประชาบาดีรงเรียกพระพรมรงเรียกพระเมหินวาเสธะพราหมณ์ผู้จบในเทศเหล่านั้นละธรรมที่ทําให้เป็นพราหมณ์ยึดถือธรรมที่ไม่ทําให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่เมื่อตายไปแล้วจะเข้าถึงการอยู่ร่วมกับพราหมณ์กับพรหมนะฮะเพราะเหตุกเรียก เ, เรียกร้องอ้อนวอน ปพระเหตุปรารถนาประเห ต, เหตุจินดีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ทีนี้ประเด็นสำคัญว่าอย่าลืม่ามีคำที่ส่งเติมเข้ามาว่าธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพรามก็ธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพรหมนั่นแหละหมายความว่าในแง่ของธรรมะเนี่ยคนเราจะเป็นอะไรก็เป็นได้ในขณะนั้ น, น, นเป็นในขณะจิตนั้นนั่นฮะ หมายกวมขนาดจิตนั้ น, น, นเราเป็นได้ทุกขนาดจิตเราเป็นพรหมก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้ตลอดถึงเป็นพระรยะก็ได้ในแต่ละขนาดจิตเพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราจะรักษาขนาดจิตเหล่านี้มันต่อมันต่อไปได้เรื่อยๆจะยกตัวอย่างาการเป็นมนุษย์ การเป็นมนุษย์ตัวการสําคัญของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็แสดงถึงวุฒิภาวะที่มันคิดทำพูดเหนือสัตว์หมายความพฤติกรรมของมนุษย์ได้เหนือจากสัตว์ลักษณะโดยธรรมชาติของสัตว์ก็คือใช้วิธีการโลภะโมหะเพราการข้อสัตว์ก็คืออาการของโมหะ แต่เนื่องจากเขาใช้อารมณ์มันก็เป็นเรื่องโลภะกโทษสัแย่งอาหารกันกินมีแบบสัตว์แย่งทิงกันอยู่ก็แบบสัตว์แย่งคู่ครองกันก็นกแบบสัตว์แย่งอำนาจกันใหญ่ก็แบบสัตว์ทีนี้มนุษย์มันก็ต้องพัฒนาขึ้นไปกว่านั้นพระปทาอาจารย์ท่านแสดง ว่ากุศลกบทสิบประการเนี่ยก็คือมนุษ ย, ษยธรรมเป็นธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์เราเจอบ่อยนะเรื่องนี้เราเจอบ่อยถามว่าทำไมมันเจอบ่อยล่ะก็พฤติกรรมของมนุษย์ที่ควรเว้นกับควรประพฤติมันก็มีเท่านั้นแหละไม่ได้มากมายไกลกองอะไรหรอกนั่นก็คืองดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิต ทุกชีวิตนะแล้วมันประนิตขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งแม้แต่พืชเนี่ยพืชพันธุ์ธัญชาติทั้งหลายก็งดเว้นจากการทํำลายล้างงดเว้นจากการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของกันและกันงดเว้นจากการล่วงละเมิดสิทธิในคุ้ครองของกันและกันงดเว้นจากการ โกหกยุโยงให้เกิดความแตกแยกกล่าวคำหยาบคายร้ายกาจพูดเพอเจอเรเหลวไหลเจ็ดข้อนี้ลองสังเกตว่าเป็นปัญหาถาวรในหมู่มนุษย์เลยในกรณีที่ไม่งดเว้นนะแม้ความคนส่วนหนึ่งงดเว้นก็ดีไปแต่คนที่ไม่งดเว้นมันเยอะเหลือเกิน เป็นเรื่องอสลดใจนะฮะในฐานะที่เป็นภิกษุรูปหนึ่งคือบางครั้งก็ก็ถามทางออกเราก็ไม่บอกเองเราบอกพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนี้แหละแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงแสดงให้ใครเขางดเว้นในเรื่องเหล่านี้ได้เมื่อก็ททากรรมเขาก็เป็นไปตามผลของกรรม เวลานี้ที่น่าเกลียดก็คือว่าคนมันจ้องจับผิดคนอื่นไม่จะเกณฑ์ศีลธรรมนะเกณฑ์กฎหมายเกณฑ์กฎหมายก็คือคนเนี่ยคนธรรมดาที่มีโลกกดลงนี่แหละไปร่างกฎหมายเหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของพวกมากลากไป เราจะเห็นว่ากฎหมายเป็นอันมากมันไม่ยุติธรรมไม่มีเหตุผลอะไรเลยทำไมจึงต้องมีกฎหมายอย่างนี้นกฎหมายมันก็ไม่เป็นธรรมทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการถ้าเรายึดกฎหมายเป็นเกณฑ์มันก็ไม่เป็นธรรมแต่ลองสังเกตว่าถ้าเรางดเว้นจากเรื่องสี่เรื่องเจ็ดเรื่องอย่างที่ว่าแล้วนี่มันเป็นธรรม มันยุติด้วยธรรมเป็นธรรมแล้วก็เชียงธรรมมนุษย์จะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรไม่มีการยื่แยงประทุษรายกันโดยพัฒนาเข้าไปถึงจิตมีความโลภอยู่ไม่ถึงก็หมดหรอกแต่ทําอย่างไรอย่าถึงกันโลภอยากได้ของของบุคคลอือ่น จะมีความโกรธอยู่แต่อย่าถึงก็อาฆาตพยาบาทจองล้างจองผ่ากันแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งหมู่แบ่งหมวดแบ่งเหล่าแบ่งภาคแบ่งตำบลแบ่งหมู่บ้านแบ่งอะไรต่จากคนสองคนขึ้นไปเนี่ยยุ่งท้งนั้นนะแตมันเกิดแบ่งแยกและยุ่งท้งนั้นคนสองคนนี่ถ้ามีความคิดแบ่งแยกนะฆ่ากันตายได้ทั้งคู่นะ เราก็มีข่าวการต่อสู้การดวลกันในสมัยโบราณนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการตามใจอารมณ์ที่มันบังเกิดขึ้นมันไม่ช่วยใครดีขึ้นแต่ช่วยมีสิ่งเหลวร้ายเพิ่มพูดมา ก, กิ่งขึ้นอาจจะเข้าใจผิดหลงผิดไปได้เป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เรามันเรื่องที่เราไม่รู้มันเยอะมาก แต่ทำยังไงอย่าให้เห็นผิดจากไอ้หลักการที่ถูกต้องก็เรียกว่าทํานองครองธรรมทานองครองธรรมในการคิดระดับนี้ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งนะฮะคือถึงแม้จะมีสิบข้อก็เถอะแต่เราคิดง่ายๆว่าทําอย่างไรเราจะไม่สร้างปัญหาให้แก่คนอื่นไม่สร้างปัญหาหแก่ตัวเองไม่สร้างปัญหาให้ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นเท่านั้นก็พอแล้ ก็จับหลักได้แหละนี่ก็แสดงว่าเป็นมนุษยธรรมเขามีธรรมที่ทำให้เขาเป็นมนุษย์ในขณะนั้นนั้นแล้วทีนี้ถ้าสภาวะจิตเขามีความประนีตและยาวนะกินเวลายาวเช่นไม่โลภได้นานๆ น, นไม่โกรธได้นานนานไม่หลงได้นานนานไม่ฆ่าสัตว์ได้นานนานไม่รักทรัพย์ได้นานๆนาเนี่ย ตลอดระยะเวลาที่เขางดเว้นเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์ด้วยจิตใจด้วยร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้ก็เรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ถามาตายแล้วเป็นไงตายแล้วเขาก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างน้อยนะแต่วันนี้มันไปถึงถึ ง, ถ, งถึงเทวดาแล้วธรรมะชุดนี้มันไปถึงเทวดาไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่า แต่ละข้อเนี่ยมันเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่านำผู้ประพฤติปฏิบัติได้ให้ไปปฏิสถานอยู่ณนะสูงสวรรค์สรุปแล้วก็คือสุจริตกายวาจาใจเนี่ยทำให้ได้สักชุดก็ไรกันมันก็คงความมนุษย์ไว้ได้ในขณะนั้นนั้น แล้วก็สื่อต่อความเป็นมนุษย์ในพบชาติต่างๆได้หลายภพหลายชาติก็เป็นเวลานานหมายความถ้าพวกนี้สงบไปได้นานๆมั น, นมก็เป็นได้นานนะนะชาติแล้วชาติอีกเป็นร้อยๆชาติเป็นพันพันชาติได้แต่วิธีการของพรามเนี่ยคือหมายความว่าเขาก็พูดโดยไม่รู้ว่าไอ้พร ม, มนี่มันคืออะไร ธรรมะที่ทําคนให้เป็นพรหมเนี่ยมันคืออะไรแล้วก่อนที่จะเป็นพรหมหลังจากตายเนี่ยทำยังไรเราจะเป็นพรหมซะก่อนตายทีนี้ในการเป็นเทวดานี่ส่งแสดงไว้เยอะมากไอชุดิี่บ้านนี่แหละถ้ามันประณีตขึ้นไปก็เป็นเทวดาแล้วก็เป็นพรหมแล้วก็เป็นพระริยะได้ชุดนี้ชุดเดียวนี่แหละ เพราะอะไรเพราะว่าถึงจุดหนึ่งจิตมันจะไม่โลภอยากได้จิตไม่จะไม่มีความมาคาดพยาบาทแล้วก็จะมีสมาธิที่สมบูรณ์ทีนี้จิตเมื่อถึงสมาธิที่สมบูรณ์มันก็เป็นสมาสังกัปปะเป็นความดําริชอบเป็นเจรจาชอบเป็นการงานชอบเป็นเลี้ยงชีพชอบเป็นความพยายามชอบเป็นการตั้งสติมั่นชอบเป็นการตั้งสติชอบเป็นการ ตั้งสมาธิมั่นชอบมันก็เป็นปรยิยะตเอาแหละสังคมเราเนี่ยถ้าจับหลักตรงนี้สิบข้อไม่ต้องไปนับเพิ่มก็ได้นะฮะเอาสิบข้อนี้แต่ว่าเป็นให้ได้ก็ไปได้เยอะทีเดียวทีนี้ทรงแสดงไว้ในส่วนอื่นเช่นดิโอตปะนี่เรียกว่าเป็นเทวธรรม คือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดามันเป็นจิตใจที่ละเมียดละไมไปปรับคุณภาพของจิตอย่างเดียวแล้วกายวาจาก็ถูกปรับตามไปที่รีเป็นอาการละอายต่อ บ, บาปรังเกียดบาปขยะขยงบาปไม่ปรารถนาที่จะคิดบาปเมื่อเราไม่คิดบาปเราก็ไม่ทำบาปไม่พูดบาปเอง อาจจะประรบปัจจัยจากภายในเช่นว่าเป็นลูกหลานของสกุลสมาชิชิแล้วก็มีการศึกษาฝึกปลืออบรมพัฒนาจิตมาเป็นอย่างดีแล้ววุธิภาวะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามวัยที่สูงขึ้นมีจิตใจเข้มแข็งกระหายไม่อ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์ พอถึงจุนี้มันก็เป็นเทวดามีเทวธรรมอยู่ภายในใจแล้วแล้วเสริมด้ยวยอสัปปะคือสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปเพราะว่าถ้าทำบาปพูดบาปคิดบาปไปแล้วจะมีผลเป็นความเดือดร้อนเราก็เห็นกระจ่าจ่เกนะือในขณะใดที่เราคิดบาปเราพูดบาปมันก็เห็นกระจ่าจ่าว่ามันร้อน ไม่สงบแล้วข่าวเพื่อนได้ดีเรา เ, รเกิดรทิษยาขึ้นมาบุบเดียวเราเห็นว่ามันร้อนใจมันร้อนเห็นข้าวของก็วางไปเกิดความโลคบุบเดียวเราก็ร้อนแล้วมันก็เห็นก็จะโอตปะนาอาจจะประรบว่าถ้าทำบาปไปแล้วแม้เราเองก็จะติเตียนเราเองได้ ท่านบุรุษใครครวนแล้วก็จะติดเตียนแล้วก็กลัวผิดอาญาของแผ่นดินที่สำคัญอย่างยิ่งคือกลัวต่อภัยในนร ก, ก, กขยะขยงหวาดกลัวต่อภัยในนรกนี่ก็ทำให้เป็นเทวดาเรียกว่าเป็นเทวธรรมคือเป็นธรรมที่ทำคนไม่เป็นเทวดา ทนี้เอาเป็นพรมเลยนะเราจะเห็นว่าเป็นเทวดามันก็มีเยอะแต่ว่าสิบข้อที่ว่าเนี่ยเป็นพรมด้วยนะเป็นพรมด้วยเป็นเทวดาด้วยเป็นอริยะ ด, ด้วยเพราะอะไรเพราะมันรวมหมดแล้วเกี่ยวกับมนุษย์มันก็มีเท่านั้นทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งสิ่งนะมันก็มีเท่านั้นเราเห็นว่าความไม่โลกกับความเห็นชอบเนี่ย มันคุมได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งแต่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคาหยาบไม่พูดเดียวไหลเนี่ยเป็นคนกัะสัตว์คือคนกระสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตโทสะมันก็เกิดได้ทั้งคนทั้งสัตว์แต่บางทียุ่งยุ่งเหมือนกันนะฮะโกรธโกรต้นไม้ยังมีเลยโกรธสิ่งไม่มีชีวิตทีก็มีเลย ทีนี้ความเป็นภริยะมันอยู่ที่ไม่มีโลกอุดลงอพราะกุศลกำหนดสิบประการสามข้อหลังเนี่ยมันไม่มีโลกอุดลงพอถึงจุดหนึ่งนะฮะถึงจุดที่สมบูรณ์เข้าในไม่มีโลกอุดลงพอก็ทํามันก็เป็นภริยาได้แล้วถ้าเราไปเทียบเคียงนะฮะเราไปเทียบเคียงกอริยมรร ก, ก็คืออริยมรรคก็คืออริยมรรคอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสามข้อหลังนี่มันเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสม า, าสมาชีอยู่แล้วโดยเนื้อหาสาระโดยคำนั้นอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าเนื้อหาสาระแล้วเขาก็จะเปน็นเดียวกันทีนี้ธรรมะที่ทำให้คนเป็นพรหมไม่ต้องเราเป็นตอนตายหรอกตอนตายสภาพจิตเราเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ แต่ให้เราเป็นพรหมอยู่ที่จิตเนี่ยก็คืออะไรก็คือพรหมวิหารทำเป็นเรือนใจเป็นหลักใจของพรหมพรหมก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่เพราะถ้าเรามีหลักใจอย่างนี้สมรับสับรชีวิตทั้งหลายจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตาม เรามีความเมตตาเอ็นดูซึ่งกันและกันมีความรู้สึกเป็นมิตรซึ่งกันและกันพูดยากได้เกินวันก่อนมีลูกศิษย์ที่เขาอยู่ที่นราธิวาสจา ก, กันมาตั้งห้าสิบปีแล้วก็ยังคิดถึงครูบาอาจารย์เขายกกันมาทั้งครอบครัวเลยขาดลูกชายกับลูกสะ้ายสองคน แล้วก็สอบถามเังความเป็นอยู่ไม่น่าเชื่อนะฮะเขาเป็นครูแล้วก็มีสวนลองกองหลายแปลงแปลงหนึ่งในสองร้อยไร่เวลานี้ไม่กล้าเข้าไปหกปีแล้วแล้วก็ปรากฏว่าก็มีพวกอื่นมามาค้นบ้างมายึดบ้างนะก็หมดแล้ว นั่นแสดงว่าแหมมนุษย์มันดูเดือดจังเลยพูดยังกะตัวเองจะอยู่ค้ำฟ้าอยู่ยางนั้นเองบาปกรรมมหาศาลนะฮะมันมีอธทินนาทานในต้งๆ อ, อ, อธทินนาทานอย่างเดียวก็เป็นเปรตแล้วนะฮะแล้วก็ตาหากว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะฆ่าเจ้าของก็เป็นปานาติบาตโดย ไปไม่รอดแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็สลดใจมันเป็นเรื่องที่นอกวิสัยที่จะไปแก้ไขได้ไปพูดจาให้เกิดความเข้าใจได้ทีนี้ถ้าหากว่าคนมันต่อสับปะชีวิตี่มีความเมตตาต่อกันคนที่ประสบความทุกข์ซึ่งตามปกติแล้วเรามากักจะซ้ำเติม แม้แต่คนตายเรายัางซ้ำเติมเลยคนไทยนี่เก่งมากเลยเนี่ยคุณธรรมสูงเหลือเกินเพื่อตายนี่สาบส่งเลยดีตายจะได้ก็ดีแผ่นดินจะสูงขึ้นรู้ได้ยังไงแผ่นดินจะสูงขึ้นแผ่นดินมันก็คือแผ่นดินคนตายก็คือคนตายความตายมันเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองก็เราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ั้งเจ็บต้องตายอ่ะ ใครไม่ตายเราไม่ตายเลยพ่อเราไม่ตายเดบูเราไม่ตายลองนับตูในเครือญาติตายไปกี่คนแล้วถ้าคนตายคือคนชั่วก็แสดงว่าวงศาคณา ญ, ญาติเราที่ตายแล้วชั่วทั้งนั้นไม่ไมีเหตุผลอะไรเลยนี่คือเป็นเรื่องที่น่าสลดใจว่าขนาดว่าคนตายเนี่ยยังซ้าเติมได้อย่างคิดเบียดเบียนก็าได้อย่างพูดเบียดเบียนก็ได้ แล้วคนที่ประสบความสำเร็ จ, จเจริญ้วยลาบยศสันเสริญสุขเราก็มุทิตาจิตกับเขาแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของเขามีมุทิตาจิตต่อคนเหล่านั้นก็จะริษยาไปได้ ก็จากการอยากจะมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมในการเจริญก้าวหน้าของคนเหล่านั้นออกไปได้ทีนี้คนบางคนที่เขาประสบผลกรรมเฉยเฉยเสไม่ได้เฉยเก็ตายแล้วก็ถ้าแสดงความเสียใจไม่ได้เราก็เฉยเฉยเอย่าอาศัยกฎธรรมชาติที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มาเป็นเครื่องมือในการทำบาปอันนี้คิดกระ บ, บาปแล้วพูดกระ บ, บาปแต่มันได้อะไรอ่ะเขาตายอย่างที่เขาตายนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าพอเขาตายแล้วเราแช่งเขาเนี่เขาจะตกนรกเราไม่เก่งขนาดนั้นนั่นหะเราเองน่นแหละอาจจะตกนรกเพราะคาแช่งมันเกิด้ดยโทสะเกิโดโวยอาฆาตโดยพยาบาท เป็นมนษย์ทุจริตแล้วเป็นวจิทุจริตสองอย่างก็ขี้เกียจตกนรกแล้วคือเวลานี้บางทีมันก็จนได้กล้าจริงๆนะคือไม่รู้จะทำยังไงที่จะช่วยเหลือสังคมในฐานะที่เป็นพระเนี่ยตอยนีงอะไรจะช่วยเหลือสังคมได้บ้างออกวิทยุก็แล้วออกโทรทัศน์ก็แล้ว ตอนนี้ก็ออกอยู่หลายสถานีปต อ, อนั้นสีประทุมกับพลเอกเสรีพุกมานก็สนับสนุนข้าชาวเวลาแล้วก็ออกที่อสพระราชวังรุสิทธ์นี่ก็เป็นพ ร, รพระบา ร, รมีของสมเด็จย่าออกมานานแล้ว แต่ว่าก็วันพูดวันเดียวออาที่สถานีประพุทธศาสนานี้เป็นเทพของเก่าเอาทุกคืนนะก็คืนละหนึ่งชั่วโมงบางโอกาสเขาก็่อสัมภาษณ์พิเศษก็ว่า ก, กันไปพยายามทำหนังสือเผยแพร่พยายามออกไปบรรยายออกไปสั่งสอน ก็เท่าที่เราทำได้แต่ว่ามันจำกัดจำขีย์แล้วเกดเรานึกถึงพวกเสื้อแดงพวกเสื้อเหลืองอะไรนี่นะเวลาเขาชุมนุมกันคนมหาศาลมากโดยเฉพาะเสื้อแดงเนี่ยมันแสนเลยแต่ว่าเรื่องที่พูดเนี่ยมันเป็นความจริงในแง่ของกฎหมาย แต่ว่าจิตใจร้าร้อนมันแบ่งเป็นฝักเป็นข่ายเป็นพวกเป็นเราเป็นเขาพร้อมที่จะเบียดเบียนประทุสลายกันทั้งสองข่ายนะั่นแหละถามมาทำไปทำอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกันมาคนชนะก็คือตายคนแพ้ก็คือตายมันมีใครเอาชนะความตายได้ ไม่มีใครเอาชนะความชั่วได้นะฮะนอกจากเราไม่ทําเขาแล้วทาไมไม่ใช่ชีวิตที่มันสั้นอยู่เนี่ยไม่ยาวเท่าไรเนี่ยสร้างความเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมขึ้นภายในใจอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยแต่ว่าจิตเป็นเทวดาจิตเป็นพรหมก็จะเป็นการเสริมค่าให้แก่ชีวิต มีคุณค่ามากยิ้งขึ้นไปทั้งฟังท่างหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ดีสุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี